ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทา่านั้นแต่รลวงประพุทธญาณในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องสัจธรรมคือธรรมะที่เป็นความจริงสองระดับระดับหนึ่งเราเรียกว่าความจริงระดับสมมตินั่นเรียกว่าสมมติสัจจะและความจริงที่แท้จริงที่เรียกว่าปรมัตุสัจจะ เป็นนัยะที่จะนำเข้าสู่ความรู้ความก็ใจที่ถูกต้องตามสุควรแกระดับแผงธรรมะนั้นๆซึ่งก็หมายความว่าในแง่ของสมมติบัญญัตินั้นบางครั้งเราจะได้ยินคาว่าโลกกสมมติโลก ก, ส ม, ล ก, กสมัญญาโลกกโวหารโลกกันิรุตโลกกภาษาก็สาบตร์ใดที่ยังมีการสมมติบัญญัติกันอย่างนั้น การไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกับบุคคลกับสิ่งนั้นๆก็ต้องปฏิบัติให้เหมาะสมแก่การสมมุติแต่หากว่าผิดต่อสมมติก็ถือว่าเป็นความผิดแต่สมมุตินั้นเปลี่ยนแปลงได้คล้ายๆกับทางขับรถบางครั้งก็อาจจะเปิดให้ขับทางเดียวถ้าขับสองทางก็ถือว่าผิด บางครั้งก็เปิดให้ขับสองได้ทั้งสองทางเราก็ขับได้ตามสบายวันก่อนได้พูดถึงบัญญัติที่ปรากฏขึ้นมาในลักษณะต่างๆเช่นสมมติ บ, บัญญัติเพื่อสายการเกาะกลุ่มของสี่เหล่านั้นจะมีสัดส่วน แล้วก็สมมติบัญญัติเรียกชื่อกันว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นโดยสมมติในภาษาแต่เมื่อสมมติในภาษาอื่นก็อาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้แต่ภาษาไทยเราก็เรียกว่าอย่างนั้นเช่นบ้าบ้านเช่นรถเช่นววเกวียนเช่นวเรือนเช่นาาาวัวศาลาโบสถ์วิหารเป็นต้นเนี่ยนั้นเขาเรียกว่าเป็นสมุหบัญญัต บางอย่างก็เป็นสัตตบัญญัติคือความเป็นสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่จริงก็ไม่มีชื่อหรอกเราก็มาสมมุติบัญญัติเรียกกันขึ้นแล้วก็ต่างคนต่างสมมติวันสมมติว่าช้างอย่างเนี้ยพม่าก็เรียกอย่างเราก็เรียกอย่างฝรั่งก็เรียกอย่างอินโดนีเซียก็เรียกอย่างแต่พอเห็นสัตว์ตัวนั้นก็จะเข้าใจกัน กบันแตกต่างกันเฉพาะด้านภาษาแต่ว่โดยสถานะแล้วก็คือสัตว์ที่เราเรียกว่าช้างนั่นเองอีกแก น, นึงเป็นเขาเรียกว่าทิากาลารบัญญตัติคือบัญญัติว่าเป็นทิศเป็นกาลเป็นต้นทิศนั้นทิศนี้สถานที่นั้นสถานทีน่นี้ขึ้นแร็มนั้นขึ้นแร็มนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยวันเดือนปีต่างๆ คนนี้โดยแง่ของความเป็นหญิงแล้วเขาก็ไม่มีชื่อแต่ว่ามนุษย์มาเกิดมาก็ต้องมีการสังเกตมีการกำหนดหมายมีการตกลงกันเป็นกติกาเราก็เรียกกันว่าขึ้นแรมอย่างนั้นขึ้นอย่างนั้นแรมอย่างนั้นวันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ที่จริงก็จักรราศีมันก็หมุนหมุนไปอย่างเนี้ย แล้อย่างสมมติลึกขึ้นไปเป็นวันดีวันไม่ดีฤกษ์ดีฤกษ์ไม่ดียามดียามไม่ดีอะไรก็ยุ่งไปพอสมควรก็นั่นก็คือเรื่องของการบัญญัติแต่บางย่างไอ้บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าทูปากุหาทิบัญญิคือบัญญัติว่าว่าถ้ำว่าเหวเป็นต้นเนี่ยในลักษณะของการมองนะ้ำมองพื้นที่ของโลก ลักษณะที่มันแตกต่างกันออกไปก็สมมติเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเหวบ้างเป็นถ้ำบ้างเป็นโพรงบ้างเป็นเงื้อบ้างเป็นชะงนบ้างก็แล้วแต่สมมติบัญญัติกันขึ้นตามลักษณะลักษณะเหล่านั้นก็ไม่จำเป็นว่าคนอื่นต้องเรียกเหมือนเราเพียงแต่ว่าเราเรียกอย่างนั้นเท่านั้นเองนิมิตบัญญัติเป็นการกำหนด ตามความพอใจตามความรู้สึกของเราเช่นว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเราเจ็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการปรุงคิดคิดปรุงของเราเองถามว่ามีสวยสากลไหมมันไม่มีหรอกเสียงไพเราะสากลก็ไม่มีหมายความว่าคนฟังทุกคนแล้วรู้สึกว่าไพเราะด้วยกันเนี่ยมันไม่มีถึงแม้จะมี แล้วก็แตก ต, ต่างกันในด้านก็รายละเอียดดังนั้นก็ถือว่าเป็นการสมมติกันแม่ยาบบทต่างในยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนยบบทที่มีการสมมุติกันอย่างนี้ก็เป็นแนวบัญญัติประการหนึง่งอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสัทธบัญญตัติคือบัญญัติกันด้วยความรู้ด้วยคําพูดคําพูดคําหนึ่งเนี่ยมันสะท้อนสภาวะ คืออย่างที่บอกว่าพจน์มันสร้างภาพคือทําให้เราเห็นคําที่มันปรากฏของสิ่งเหลยดนั้นในขณะเดียวกันก็มีสภาวะที่มันเป็นปรมัติเนี่ยปนอยู่ในตรงนั้นด้วยใช่เราพูดถึงรูปเวทนาสัญญาพูดถึงจิตพูดถึงเจตสิกเราจะเห็นว่าคําเหล่านี้เป็นคำบัญญัติเรียกคําทั้งหลายเนี่ยที่จริงเร้งยังไงก็ได้ แต่ว่าโดยสภาวะของมันแล้วก็เป็นปรมาทิตยจักคือความจริงที่แท้จริงบางครั้งเนี่ยคาพูดคําเดียวเป็นโรคโหหารที่ไม่มีสภาวะของปรมัติ์ปรากฏอยู่ก็เป็นเรื่องของการสมมติการบัญญัติเอาอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยหมายความว่าเสียงเนี่ยเสียงมาสะท้อนภาพพอเสียงปรากฏใจเราก็นึกถึงภาพพูดถึงเสือ ภาพคนเสือก็ปรากฏในความรู้สึกของเราแล้วก็เนื่องจากจิตมันทาหน้าที่จำและทาหน้าที่สะวยอารมณ์นอกจากภาพเสือปรากฏแล้วก็จะรู้สึกตกใจรู้สึกหวาดกลัวด้วยแต่พอบอกว่าลูกเสืออยู่ในกรงความคิดมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราจำทรงไว้ได้ถ้าลูกเสือก็น่ารักอยู่ในกรงมันกัดเราไม่ได้ ก็แทนที่จะคิดจะหนีเนี่ยมันก็คิดอยากจะดูนั้นก็แสดงว่าอาศัยสัญญาเนติคือความจําหมายของเราเนี่ยเป็นการบอกให้เราทราบเมื่อเราได้ยินเสียงแล้วเราเกิดเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดกลัวเกิดเชิดเชเกิดรักเกิดชังก็ได้แต่แล้วแต่เราเก็บความรู้สึกเอาไว้ยังไงอีกอย่างหนึ่งเป็นคําพูดสองคำคำแรกเป็นปรมัตารย์คำหลังเป็นเป็นโลกกัมวฐาน เ, เช่นพระลระโพชฌงกติทธิบาทเนี่ยมันเป็นปรมัตธรรมแต่ว่าพระละห้าโพชฌงกติเจ็ดก็ดีโพชฌงกติเจ็ดก็ดีที่บาทสี่ก็ดีพระละห้าก็ดีเอเลขเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันก็เป็นสมมุติเป็นภาษาที่ใช้เรียกกันโดยโลกะโวหารเท่านี้เรียกว่าหนึ่งเท่านี้เรียกว่าสองเท่านี้เรียกว่นสามเท่านี้เรียกว่าส ก็เป็นภาษาไทยเรานะภาษาชนชาติอื่นก็เรียกเป็นอย่างอื่นที่ประการหนึ่งเป็นคำพูดสองคำทั้งคำแรกและคำหลังเป็นปรมาตุ์ด้วยกันก็หมายความว่าเราก็เรียกด้วยภาษาบาลีเช่นว่าจักขุวิญญาณโลพภัจจตสศิลโลกุตรจิตมัคคิตผลจิ ต, ต, จตอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นคำที่แสดงถึงปรมัตยจัก เรียกว่าเป็นการแสดงถึงความจริงที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นทีนี้พวกบัญญัติทั้งหมดเนี่ยในแนวที่เราใช้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานที่จริงไม่มีอะไรมันก็คือชีวิตเรานั่นเองแต่ว่าแทนที่จะไปมองรวบมันก็ย่อยออกมา เป็นขันทาเป็นอายตั้งทัสิบสองเป็นธาตุสิปเป็นสีอ็นซียี่สิบสองเป็นเป็นสัจจะเป็นอริยสัจทั้งสี่แก็เป็นการบัญญัติบุคคลขึ้นมาในลักษณะต่างๆอย่างนี้เป็นตัวชื่อที่เรียกเป็นสมมติสัจจะแต่ตัวสภาวะจริงๆมันเป็นปรามะกสัจจะก็เป็นความจริงที่แท้จริงลักษณะของความจริงเหล่านี้ เมื่อเรากล่าวโดยสรุปแล้วพอสู่ภาคสนามคือภาคของการปฏิบัติเราเห็นว่าภาคของการปฏิบัติจริงๆนั้นท่านจะเน้นไปในแนวของการรักษาตัวสัจจะตรงนั้นเมื่อเราเข้าถึงสัจจะก็พยายามรักษาสัจจะตัวนั้นอย่างนี้ท่านแสดงแก่พระโพธิสัตว์ว่าถ้าท่านปรารถนาจะบรรลุพระสัมพโพธิญาณแล้วไซต์ท่านจงสมาทานสัจจะบา ร, รมี มีวาจาอันแน่วแน่ไม่เป็นสองในสัจจะปรมีนั้นจะบรรลุพระโพธิญาณได้อันวาดาประกายพลิดดานบพระเคราะห์ที่เที่ยงตรงในโลกไม่โคจร อ, ออกนอกเวทีโขอจรไม่ว่าฤดูฝนฤดูร้อนฤดูหนาวแม้สัมใดถือท่านก็สัจ น, นั่นเหมือนกัน จงอย่าเดินออกนอกวิถีทางในสัจจะทั้งหลายถึงความแห่งสัจจะบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณได้นี่เป็นการแสดงเห็นว่าดำรง ม, มั่นคงอยู่ในสัจจะนั้นๆก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเรากราวกกลุ่มกับโครงสร้างของอาเรียสัจก็จะเห็นว่าสัจจะที่ควรจะตั้งไว้ภายในใจในกรณีการทำความรู้จัก กับสภ า, าวธรรมก็คือกลุ่มของทุกขกษัตริย์เกิดแก่ตายแล้วก็ตลอดทั้งพวกความทุกข์จรที่ปรากฏออกมาในลักษณะต่างๆมีความมุ่งมั่นมีเจตจำนงแน่วแน่ที่จะเรียนรู้เขาให้ได้อย่างที่พระบางรูปท่านเจริญกรรมาฐานเป็นอาทิตอาทิกะอาทิกสัญญาคือการกำหนดดูสังขารร่างกายของตัวเองเนี่ยให้เห็นเป็นโครงกระดูก แล้วจนเห็นเช่นนั้นจริงๆเป็นนิมิต ท, ที่ติดตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นแต่ขนาดจิตที่จิตเป็นสมาธินะครับในสุดมันก็เห็นรูปคนอื่นเป็นโครงกระดูกเช่นเดียวกันบรเอาขนาดถ้าเน้นคนเดินไปข้างหน้าเนี่ยทั้งก็ดูเป็นโครงกระดูกไปหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายมีเรื่องราวาประเทีรารูป เ, ป น, เนึ่งเจริญอธิกะสัญญากรรมฐาน มองสังขารเป็นท่อนกระดูกที่มาต่อกันมาก่อกลุ่มกันวันหนึ่งในขณะที่ท่านเดินจุกลมอยู่มีผู้หญิงก็ทะเลาะกับสามีเดินผ่านมาก็คงจะรู้สึกมันไส้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะแกะก็หัวเราะใส่าราคุศดุงแต่ว่าใจมันมณสิการถึงอารมณ์กรรมาฐานคือ ก, กาารรมมณสิการถึงกระดูก ผมมองไปมันก็เห็นไปร่าง ก, กระดูกเลยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายต่อมาท่านออกจากกรรมาฐานพนังพักอยู่สามีของผู้หญิงเราเนะี่ยคนนั้นก็เดินมาเจอท่านถามว่าพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงเดินผ่านไปทางนี้บ้างไหมท่านบอกว่าเห็นร่างกระดูกโครงร่างกระดูกโครงร่างหนึ่งเดินไปแต่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอาตมาไม่ทราบ เพราะในขณะนั้นท่านไม่รู้จริงๆนะฮะมันเป็นโครงกระดูกและการศึกษาการพิจารณาแนวนี้บางครั้งนี่ท่านเล่าท่านเล่าในคำภีวิสุทธิมักต์ถึงว่ามกแขกด้าวอยู่ในสำนักของภิกษุณีชื่อดีนะชื่อพุทธรักษิตภิกษุณีก็สอนให้เจริญอธิกะสัญญา เดียกวากายานุปัสนาสติปัฏฐานนั่นแหละแต่ว่ามองถึงโครงกระดูกมองถึงร่างกระดูกต่อมานกแกะดาวก็ถูกเยี่ยวเฉียวไปภิกษุณีสามเณรีก็ไล่เพื่อให้ปล่อยนกแต่ในสุดเดียวก็ปล่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อนกลงมาแล้วเนี่ยภิกษุณีก็ถามว่าเธอคิดยังไงพุทธรักิต ในขณะที่เหว่เฉียวเธอไปนเธอคิดยังไงนกก็บอกว่ามก็ไม่คิดว่ามันร่างกระดูกกำลังร่างนําร่างกระดูกไปร่างกระดูกหนึ่งกำลังร่างร่างกระดูกหนึ่งไปแล้วก็จะตกเรี่ยรายอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนั้นได้เ็นว่ามันเริ่มต้นจากสัตยาทิฏฐานที่มุ่ง ม, มั่นจะทำความเข้าใจกับสิ่งแบบนี้ให้ได้ พยายามดูให้เข้าถึงความจริงให้ได้การเจริญกรรมาฐานบางครั้งก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ดูอย่างเดียวดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสปายะสมัคเปล่าคือสบายดูเรื่องเหล่านั้นแล้วจิตใจมันสบายโน้มน้อมกับความสงบก็ดูไปเรื่อยเป็นสัตยาธิษฐานบางครั้งก็อาจจะเป็นสัจจวาจาตกลงจะประพฤติปฏิบัติไว้ยอย่างนั้น ก็เป็นธรรมะปฏิบัติที่มันปนกันมันไม่ใช่สัจจะอย่างเดียวมันมีขันติมันมีวิริยะมันมีอธิษฐานมันมีสติมีสัมพัญญยาดอยู่ด้วยแล้วในกรณีของสมุทยัยสัจใช้ปัญญาศึกษาพิจารณามองเห็นโทษของสัพพกิเลส ท, ที่มีชื่อต่างๆในพระบาลีโดยมากเราพบว่าจะเรียกตัณหาสาม แต่ที่จริงจะเรียกอะไรก็ตามกิเลสก็คือสมุทัยสัตร์เพราะมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แต่การที่ทรงเรียกเอาตัณหาทั้งสามนั้นอาการมันเด่นอาการจิตเรียกก็ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากจิตมันก็พุ่มแรงและเห็นอาการชัดท่านก็เรีย ก, กว่าตัณหาบางครั้งก็กระซิบใจบางครั้งก็สานไปบางครั้งก็ เสือกสายผักสา ย, สายจิตใจให้แปรผันไปตามแรงดูดหรือแรงดึงหรือแรงผลักดันของสิ่งเหล่านั้นเราก็มองเห็นโทษชัดเจนแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับเรื่องเหล่านี้ให้ได้อิชนากิเลสอิชนะอารมณ์อาจนะแรงกระแทกกระทันทางใจให้ได้ ไปย่างที่ท่านเล่าถึงบัณฑิตสามเณรที่งเป็นเด็กอายุเพียงเจดขวบเดินตามหลังพระสารีบุตรไปบินทบาทในหมู่บ้านเห็นชาวนาไถน้ําเข้านาก็สอบถามพระอาจารย์ว่าเขาทาอะไรท่านก็บอกว่าชาวนาไถน้ําเข้านาถามว่าน้ําน่ะมันมีจิตหรือเปล่ามีความคิดหรือเปล่าพระสารีบุตรบอกไม่มีความคิดอกไม่มีจิต แล้วก็คิดว่าเออเก่งน้ำไม่มีจิตแต่อาศัยคนซึ่งมีจิตนี่สามารถดึงน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปไว้บนที่สูงได้ขึ้นสู่ที่สูงได้ทำไมเราซึ่งมีจิตจะดึงจิตของเราจากที่ต่ำให้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้มันควรจะได้นะ่ะเมื่อเกิดความเชื่อมั่นอะไร ล, ลึกๆอยู่ไปในใจเดินไม่นอ น, นึ่งก็เจอช่างถากก็ถากไม่ พระธรรมเขากำลังทําอะไรพระสารีบุตรบอกว่าถากไม้พรถากทําอะไรก็ต า, ากให้กรมให้โค้งให้โค้งให้งอ ใ, ใ, ให้อะไรก็ว่าไปแล้วแต่จะให้เป็นอะไรสรํามเลงก็เด็กๆก็ไม่รู้ไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้เป็นลูกเศรษฐีร่ารวยมากก็บอกว่าไม้มันมีจิตหรือเปล่าพระสารีบุตรก็บอกไม่มีจิตท่านก็คิดว่า ไม้ไม่มีจิตแต่สายคนมีจิตเนี่ยสามารถถากไม้ให้เปลี่ยนแปลงไปตามที่ตนต้องการได้เรามันก็ควรจะถากจิตเราเองทำจิตเราเองที่คดรที่งอที่โคง้งที่ว้าแหว่งอยู่นี่ให้ตรงให้ได้เดินระยะหนึ่งก็ไปเจอช่างสอนดัดลูกศอนแ้าก็ถามเหมือนเดิมอีกสารีบุตรก็บอกไปช่างสอนดัดลูกศอนท่านถามว่าลูกศอนเนี่ยมันมีจะจิตหรือไม่ไม่มี สาริเบกก็บอกไม่มีจิตท่านก็คิดว่าเอยลูกศอดมันก็เกิดมันไม่มีจิตแต่อาศัยคนซึ่งมีจิตเนี่ยดัดมันให้ตรงได้ตามต้องการคือใช้งานได้ก็เรียกว่ากรรมนิยะคือใช้งานได้มันก็เกิดกระตือรือร้นขึ้นมาที่จะดัดจิตตัวเองให้ตรงและในสุดก็ตัดสินใจไม่ยอมกินข้าวแล้วไม่ยอมสานข้าว กล่าวภาษาดิบุตรบอกว่าผมจะไปเจริญกรรมาฐานนะอาจารย์วิปินธาบาุตรภาษาดิบุตรท่านก่อนุญาตให้กลับพระเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยก็มาประทับยืนขวางทางไลยและพระเนนมารับสั่งถามก็ทรงแนะว่าเ น, นเร์เจริญอนาปานสติสิพระเจรู้ว่าเนนเนียน่ยจะสงบได้ด้วยอนาปานสติ ในตอนแรกท่านงงอยู่บางกันนะเพราะว่าสาริบุตรสอนมาอย่างไนึ่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็สอนอย่างหนึ่งในสุดท่านก็เอาตามพระพุทธเจ้าว่าก็ฝึกจิตตัวเองที่ให้มันนิ่งให้มันยกขึ้นสู่ที่สูงได้แล้วก็ให้ตรงตามที่ตนต้องการได้แบบชาวนาไถน้ําข้าวนาช่างถากถากไม้ช่างสอนดัดลูกศรแล้วพยายามมาเป็นเพียน กำลังจะบรรลุอรหัตเนี่ยเวลามันก็กลายเพลนินพรุทธเจ้าก็เห็นภาษาลิบุตรกําลังเดินมาก็กลัวจะเข้าไปแล้วก็จะทําให้สมาธิโขาธรให้เนรแตกก็ไปทับขวางใบประทับเบียงขวางแล้วก็สอบถามคุยธรรมะธรรมดาธรรมดาเนี่ยพเอเนรบรรลุมากผลพระพุทธเจ้าก็หลีกทางให้ภาษาลิบุตรบอกว่าให้อาหารไปให้เนรแต่ง คือนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นการศึกษาสําเน็จเรียนรู้จากปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาแน่นอนทั้งหมดเป็นการกระทำของคนทดน้ําข้าวนาก็เป็นการกระทําของชาวนาถักไม้ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการก็เป็นงานของช่างถากดาดลูกศรให้ตรงก็เป็นงานของนายช่างทำลูกศรแต่วันนี้มันเป็นครู ไปเป็นครูให้เห็นว่าไอ้สิ่งซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันเป็น ก, กลางๆแต่ว่าเจอจิตที่ดีอาศัยจิตที่ดีของชาวนาจิตที่ดีของช่างทาจิตที่ดีของลูกศรเนี่ยสามารถสร้างสารรค์พัฒนาเสริมคุณค่าให้แก่น้ําให้แก่ไม้ให้แก่ลูกศรได้แต่จิตของมนุษย์มันก็คือเจ้าของจิตอะเขาเองเป็นเจ้าของจิตทําไมก็จะฝึกจิตตัวเองไม่ได้ โดยส่วนตั้งก็ฝึกหรือก็ฝึกได้ <c oughs> ตัวอย่างที่น่าศึกษาก็คือว่าสิ่งทั้งหมดที่จริงมันเป็นอาการสมมตุติสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นอาการสมมติแต่ว่าเจตจํานงในการทํางานเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมเป็นความดีความงามเป็นความมุ่งมั่นหรือถ้าเราดูให้ดีเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ในกลุ่มของอรอยิยมรรคมันเป็นกุศลธรรมส่วนเหตุ แล้วเมื่อบุคคลพยายามเพิ่มผูนให้มากยิ่งขึ้นกุศลธรรมเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่กระจัดกุศลให้เจอจางเบาบางลดน้อยถอยลงไปจากจิตแล้วก็ถึงจิตปพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านก็จะรับประโยชน์จากบัณฑิตสา ม, มนเณรในบรรลุมรรคผลเป็นพระหานไปเลยแล้แนวคิดการเรียนรู้จากเรื่องเหล่าเนี้ยแต่ละอย่างแต่ละอย่าง บัญญัติทั้งหลายนะผู้สัทธบัญญัติอนัตบัญญัติทั้งหลายที่ว่าไว้เนี่ยตอนต้นที่จริงมันเป็นเรื่องนา ม, มารูปซึ่งก็หมายความว่าคนที่เข้าใจคิดเนี่ยจะหาประโยชน์ได้ทั้งหมดหาประโยชน์เพื่อจะกำหนดรู้ความจริงของมันก็ได้เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดละกิเลส ก, ก็ได้เพื่อนําตนก็ไปสู่เป้าหมายสูงสุดก็ได้แล้วก็เพื่อจะประพฤติปฏิบัติ